ตอนที่ส3สิบสามแม่ของฉันดีมากแครนเบอร์รี่เสี่ยวจิ๋วกวัอึ้มชื่อนี้ไม่เลวเลยชิ้นเสี่ยวเย่เว่ยมองไปที่ป้ายหน้าร้านแล้วพยักหน้ายิ้มฟังแล้วรู้สึกอยากรู้อยากลองกินขึ้นมาทันทีแครนเบอร์รี่คืออะไรเหรอซุนจิวหลิงถามด้วยความสงสัยทำไมฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยล่ะมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีสารแอนโทไซยานินสูงมากและมีคุณค่าทางโภชนาการดีทีเดียวจ้ะซูมานอินอธิบายด้วยรอยยิ้ม ตอนแรกฉันก็เน็กอยากจะเอาชื่อเธอใส่เข้าไปด้วยนะแต่ว่าชื่อฉันก็มีอยู่นี่ไงซุนจิ๋วหลิงชี้ไปที่ป้ายหน้าร้านแล้วพูดบนหัวเราะคําว่าจิว๋วเหล้าในชื่อร้านนี้ออกเสียงเหมือนชื่อฉันแป้เลยซูมานอินไม่คาดคิดเลยว่าชื่อที่เธอเปลี่ยนกระทันหันเพราะรู้สึกว่าชื่อร้านอาหารแบบเดิมมันดูเชยเกินไปจะกลายเป็นความบังเอิญที่นําชื่อของซุนจิ๋วหลิงเข้าไปใส่ไว้ได้พอดีจริงด้วยจิ๋วหลิงฉลาดที่สุดเลย โจวิ่ยหมินเดินถือประทัด ต, ต้าตี้หงเข้ามาวันเปิดร้านทั้งทีก็ต้องมีการเฉลิมฉลองกันหน่อยชินเสี่ยวเยเว่ที่อยู่ข้างๆดึงแขนซูม่านอินต้องรอหัวหน้าสถานีก่หน่อยไหมไม่ต้องรอเขามีภารกิจด่วนนะแล้วผู้อํานวยการโรงงานอย่างละ่ะไปประชุมที่ตัวอำเภอแล้วจ้ะชินเสี่ยวเยเว่ปากสรุปว่าวันนี้ร้านเราเปิดวันแรกแต่ไม่มีใครมาให้กาลังใจเลยสักคนเดรอเนี่ย ซูมานอินสายหน้ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะทุกคนต่างก็มีงานสำคัญเราจะไปถือสาหาความไม่ได้หรอกสิ้นเสียงคำพูดลีชางอันก็พาเพื่อนคนงานกลุ่มหนึ่งเดินตรงเข้ามาอาจารย์พวกเรามาแล้วครับโอจะจุดประทัดเรือ ม, มาครับเดี๋ยวผมจุดให้เองชายหนุ่มสองสามคนเริ่มลงมือช่วยงานอย่างกระตือรือร้นในที่สุดบรรยากาศการเปิดร้านแครนเบอร์รี่เซียวจิวักวันก็เริ่มมีความคึกคักขึ้นมาบ้าง วันนี้แครนเบอร์รี่เสี่ยวจิวกวนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรกมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะดีครับลีช้างอันเป็นคนนำปลบมือในตอนนั้นเองเฉียวหงก็เดินเข้ามาสมทบด้วยพวกเราก็มาอุดหนุนเหมือนกันจ้าที่หงเชิญด้านในเลยค่าเร็วเข้าซูมานอินก้าไปข้างหน้าควงแขนเฉียวหงแล้วเชิญเข้าไปข้างในร้านเมื่อเห็นลูกค้าเริ่มทยอยมาซุนจิวหลิงและจางชุยฮวาก็รีบมุดเข้าห้องครัวเพื่อเริ่มเตรียมอาหารทันที ชินเสี่ยวเย่เว่เห็นเงินไม่ใช่สิเห็นคนเยอะขนาดนี้ก็เริ่มหยิบสมุดเล่มเล็กขึ้นมาจดรายการอาหารว่าเมนูของพวกเธอทําออกมาสวยจังเลยมีรูปภาพพิมพ์อยู่ด้วยเชี่ยวหงเห็นเมนูที่มีสีสันสดใสกอ็ไม่ได้ที่จะตาเป็นประกายต้องบอกเลยว่าที่ธุรกิจของซูมานอิมรุ่งเรืองขนาดนี้ดูได้จากการตกแต่งร้านและความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเมนูอาหารนี้ร้านอาหารในตัวอำเภอแทบไม่มีที่ไหนทําได้แบบนี้เลย ก็ใช่นะสิคะเพื่อเมนูนี้แม่เล็กต้องวิ่งรอบไปโรงพิมพ์ตั้งหลายแห่งแถมยังเสียเงินไปไม่น้อยเลยด้วยพอนึกถึงเรื่องเงินฉินเสี่ยวเย้าก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาทันทีแม้จะได้รับส่วนลด80จากการที่ซูมานอินเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของสถานีโทรทัศน์ประจําเมืองแต่ค่าทําเมนูและป้ายหน้าร้านพวกนี้ก็ยังหมดไปเกือบ10บหยวนคิดดูสิว่าพวกเขาต้องขายโรจียมหมูตั้งร้อยชิ้นถึงจะได้เงินจํานวนนี้คืนมาหาเงินมันช่างยากเย็นแต่ใช้เงินนี่มันช่างรวดเร็วเหลือเกิน ซูมานอินกำชับซุนจิวหลิงและจางชุยฮวาในห้องครัวว่าวันนี้เปิดร้านวันแรกให้ตักอาหารให้เยอะหน่อยวางใจเธอค่ะแม่เล็กทุกคนก็เป็นเพื่อนคนงานในโรงงานทอผ้าของเราทั้งนั้นจะให้เสียเปรียบไม่ได้หรอกจางชุยฮวาก็พยักหน่ายิ้มรับคำเช่นกันจริงด้วยชุยฮวาใบาอนุญาตประกอบกิจการส่วนบุคคลของเธอทำเสร็จแล้วนะเธอจะยัง ไม่แล้วเขาเศ้าเจียกลัวว่าฉันจะต้องตากแดดตากฝนเขามักจะมาช่วยงานเสมอฉันกลัวว่าจะไปรบกวนเวลาเรียนของเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะยังไม่ออกไปตั้งแผงลอยข้างนอกนะคะซูมานอินรำพึงออกมาช่วยฮาวาเธอมีลูกชายที่ดีจริงๆเพื่อนคนงานกินกันอย่างอร่อยอร่อยต่างพากันชื่นชมว่าฝีมือของจิวหลิงนั้นยอดเยี่ยมและรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากโจวเวยหมิ่พาลูกๆมาที่ร้านเมื่อได้ยินคําชมเขาก็มีสีหน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ชินเสี่ยวเยเว่เห็นต้าฮวาและเสี่ยวสวีมาถึงก็รีบดึงพวกเขาไปที่เคาน์เตอร์ทันทีต้าฮวาเสี่ยวสวีอาสไพร์เล็กเก็บของอร่อยไว้ให้พวกหนูด้วยนะชินเสี่ยวโย่เหยียบลูกอมนมตรากระต่ายขาวออกมาสองเม็ดเด็กน้อยทั้งสองเห็นเขาก็ตะโตทันทีว้าวลูกอามานมนี่นาเสี่ยวสวีน้ำลายสะดวงตาเป็นประกายจ้องมองไปที่ฉินเสี่ยวย่าวยาสไพรเล็กทานหรือ ย, ยังครับ ชินเสี่ยวเย่เว่รู้สึกอุ่นซาบซ่านในหัวใจเด็กคนนี้ช่างนาเอนดูจริงๆขนาดอยากกินจนแทบพนไม่ไหวยังอุตส่าห์เป็นห่วงถามว่าเธอได้กินหรือยังพวกหนูไม่ต้องห่วงอสไพรเล็กหรอกจเย์คนนี้ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองต้องลำบากเรื่องกินอยู่แล้วซูมานอินเดินผ่านมาแล้วพูดหยอกล้อว่ากินเธอจะนี่เป็นลูกอมรสนมไม่ทำให้ฟันผุหรอกเด็กน้อยทั้งสองรับลูกอมรสนมไปพลางส่งยิ้มหวานขอบคุณชินเสี่ยวย่าเสี่ยวสวีถึงขั้นจุ๊บแก้มชินเสี่ยวเย่เป็หนึ่งทีด้วย พี่รองทํายังไงดีคะฉันเอ็นดูเสี่ยวสวี่เหลือเกินหรือพี่จะยกเขาให้เป็นลูกบุญธรรมฉันดีไหมโจเวยหมินรู้ว่าชินเสี่ยวเยเว่พูดเล่นแต่ในใจเขากลับรู้สึกเศร้าๆอยู่บ้างโจเวยตรงน้องชายของเขากับชินเสี่ยวเยเว่แต่งงานกันในวันที่เขาเมามายพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ต้องออกเดินทางกลับเข้ากรมทันทีทั้งสองคนได้พบหน้ากันเพียงไม่กี่ครั้งยังไม่ทันได้มีลูกด้วยกันเขาก็น้องสะพ้ายถ้าเธอชอบขนาดนั้นก็ให้เสี่ยวสวี่รับเธอเป็นแม่ทูนหัวก็ได้นะ ที่รองพูดแล้วห้ามคืนคำนะคะชินเสี่ยวเยว่เสิ่มเสี่ยวสวี่ขึ้นมาพลางหยอกล้อว่าเสี่ยวสวี่มาเร็วลองเรียกแม่ทูนหัวให้ฟังหน่อยสิลูกเสี่ยวสวี่หันไปมองพ่อของเขาเมื่อเห็นพ่อพยักหน้ายิ้มให้จึงส่งเสียงเรียกออกมาอย่างชัดท่อยชัดคำว่าแม่ทูนหัวจ๋าชินเสี่ยวย่วยอหอมแก้มยุยยุของเสี่ยวสวี่ฟอดใหญ่ด้วยความเหมันเคี้ยวทันทีที่เลิกเรียนตอนเที่ยงจังเศร้าเจียก็รีบพุ่งออกจากห้องเรียนตรงไปยังประตูโรงเรียนทันที วันนี้เป็นวันแรกที่แม่เข้าไปช่วยงานในห้องครัวเขาไม่รู้ว่าแม่จะชินหรือเปล่าจึงอยากจะว่าไปดูให้เห็นกับตาถึงจะวางใจได้จางเซาเจียหน่าไม่กินข้าวที่โรงอาหารเหรอนุ่นเสี่ยวเซี่ยเห็นจางเซาเจียกำลังเข็นจักรยานก็อดแปลกใจไม่ได้ปกติแล้วจางเซาเจียที่เป็นเด็กเรียนดีระดับหัวกะทิมักจะอยากนั่งกินข้าวในห้องเรียนเพื่อเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการเรียนแต่วันนี้เขากลับจะออกไปนอกโรงเรียนงั้นหรือไม่กินแล้วล่ะ ฉันมีธุระต้องออกไปข้างนอกหน่อยจางเศร้าเจียทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านั้นก่อนจะก้าวขึ้นจักรยานคันเก่าแล้วปั่นจากไปโดยไม่หันกลับมามองซุนเสี่ยวเซี่ยนึกสงสัยหรือว่าที่บ้านของเขาจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมานมันฉันจะออกไปดูหน่อยเสี่ยวเซี่ยนเธอจะไม่กินข้าวแล้วเหรอลูกเฟิงหมินเพื่อนสนิทเอ่ยเตือนเธอคงไม่ได้ชอบจางเศร้าเจียหรอกนะพูดอะไรอย่างนั้นจางเศร้าเจียเป็นคนที่รักการเรียนขนาดนั้นอยู่ๆก็ออกจากโรงเรียนไป ฉันก็แค่กังวลว่าที่บ้านเขาจะมีเรื่องนะสิสุนเสียวเสี้ยแวแหวใส่เสียแรงที่เป็นถึงหัวหน้าห้องกลับไม่ห่วงใหญ่เพื่อนร่วมชั้นเลยสักนิดก็ได้ได้งนั้นพวกเราไปดูด้วยกันเลยแล้วกันตกลงไหมลู่เฟิงหมิงกระซิบไปกันสองคนก็น่าจะปลอดภัยกว่าเมื่อเด็กสาวทั้งสองตกลงกันได้ก็เข็นจักรยานยี่ห้อหยองจิวคันใหม่เอี่ยมปันตามไปทันที เจไว้่กัวยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองเมื่อเห็นซุนเสี่ยวเสี่ยปั่นตามจางเศร้าเจี๋ยไปเขาก็ขบกรามแน่นพางกหมัดจนเส้นเลือดขึ้นจางเศร้าเจี๋ยปั่นเร็วมากเด็กสาวทั้งสองต้องปั่นตามจนเหนื่อท่วมตัวกว่าจะมาถึงจุดหมายแครนเบอร์รี่เสี่ยวจิ๋วกวันซุนเสี่ยวเสี่ยจ้องมองป้ายหน้าร้านพางนึกสงสัยจางเศร้าเจี๋ยมาหาอะไรกินที่ร้านอาหารนั้นเหรอซูมานอินเพิ่งจะเรียกให้จางเศร้าเจ๋ยนั่งลงก็สังเกตเห็นว่ามีนักเรียนหญิงสองคนอยู่ข้างนอกแถมยังดูคุ้นหน้าคุ้ตอีกดวย เศร้าเจียข้างนอกนั่นเพื่อนร่วมชั้นของเธอหรือเปล่าจางเศร้าเจี๋ยกาลังดื่มน้ําต้องสุกอยู่พอได้ยินสูม่มานอินทักจึงหันไปมองนอกร้านแล้วก็ต้องประหลาดใจเอพวกเธอมาได้ยังไงกันจะเชิญพวกเธอเข้ามาข้างในไหมจ้าซูมานอินเอ๋ยอย่างเชิงจางเศร้าเจียลุกขึ้นยืนนะซูครับเดี๋ยวผมออกไปดูเองจางเศร้าเจียผลักประตูออกไปถามด้วยความสงสัยพวกเธอมาทําอะไรที่นี่เหรอจางเศร้าเจีย๋ย นายมาหาอะไรกินที่ร้านเหรอเปล่าหรอกแม่ของฉันมาช่วยงานในครัวที่นี่น่ะฉันเลยแวะมาดูท่านหน่อยซูมานอินยืนอยู่ที่ประตูเมื่อเห็นจางเซาเจีย น, นะนาแม่ของตัวเองอย่างเปิดเผยและสง่าพ่าเผยเธอก็อดไม่ได้ที่จะยกนิ้วให้ในใจพวกเธอยังไม่ได้กินข้าวกันใช่ไหมวันนี้ลองมาชิมฝีมือแม่ฉันดูหน่อยเป็นไงเด็กหนุ่มเอ่ยชวนอย่างกระตือรือร้อนแม่ของฉันทาอาหารอร่อยมากเลยนะ